บรรพชาอุปสมบทในปีรุ่งขึ้นคือพุทธศักราช2469นาชายสองคนจะบวชเป็นพระภิกษุที่วัดเทวะสังคารามพระชนนีและป้าจึงชักชวนเจ้าประคุณสมเด็จซึ่งขณะนั้นพระชนมายุย่าง 14,000 ษาให้บวชเป็นสัมเนนแก้บน ที่ค้างมาหลายปีแล้วให้เสร็จเสียทีเจ้าพระกุลสมเด็จจึงตกลงพระไทยบวชเป็นสามเณรที่วัดเทวะสังคารามในปีนั้นโดยพระครูอดุลยสมณกิจในวงเล็บดีพุทธโชติเจ้าเอาวาดวัดเทวะสังคารามซึ่งเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดเหนือเป็นพระอุปชาซึ่งสุดท้ายท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพมงคลรังสี พระคูนิวิสม า, าจาร์ในวงเล็บเรียนสุวัดนโชติเจ้าอาวาสวัดศรีอุปลารามซึ่งเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดหนองบัวเป็นพระอาจารย์ให้สรณะและศีลก่อนที่จะทรงบรรพชาเป็นสามเณรเจ้าพระคุณสมเด็จไม่เคยอยู่วัดมาก่อนเพียงแต่ไปเรียนหนังสือที่วัดจึงไม่ทรงคุ้นเคยกับพระรูปใดในวัดแม้หลวงพ่อวัดเหนือผู้เป็นพระอุปชาของพระองค์ ก็ไม่ส่งคุ้นเคยมาก่อนความรู้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องวัดก็ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกันนอกจากการไปวัดในงานเทศกาลการไปทำบุญที่วัดกับป้าและเป็นเพื่อนป้าไปฟังเทศเวลากลางคืนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งที่วัดเหนือมีเทศทุกคืนตลอดพรรษาทรงเล่าว่าถ้าพระเทศเรื่องชาดกก็รู้สึกฟังสนุก เมื่อถึงเวลาเทศก็มักจะเร่งป้าให้รีบไปฟังแต่ถ้าพระเทศธรรมะก็ทรงรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องและเร่งป้าให้กลับบ้านกล่าวได้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อส่งประเยาวนั้นแทบจะไม่เคยห่างจากอกของป้าเลยยกเว้นการไปแรมคืนในเวลาเป็นลูกเสือบ้างเท่านั้นในคืนวันสุดท้ายก่อนที่จะส่งบรรพชาเป็นสามเณรนั้นป้าพูดว่า คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกันซึ่งก็เป็นความจริงเพราะหลังจากทรงบรรพชาเป็นสัมเนรแล้วก็ไม่ทรงมีโอกาสกลับไปอยู่ในอ้อมอกของป้าอีกเลยจนกระทั่งป้าเห่งถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2507กล่าวได้ว่าชีวิตพรหมจรรย์ของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นเริ่มต้นจากการบวชแก้บนเมื่อทรงบรรพชาแล้ว ก็ทรงอยู่ในความปกครองของหลวงพ่อวัดเหนือและทรงเริ่มคุ้นเคยกับหลวงพ่อมากขึ้นเป็นลำดับพรรษาแรกแห่งชีวิตพรมจรรันทร์นวัดเทวสังฆารามเจ้าพระคุณสมเด็จยังไม่ได้เล่าเรียนอะไรมีแต่ท่องสัมเนศิกขาคือข้อพึงปฏิบัติสำหรับสัมเนร และท่องบทรมวัดสวมดมนต์เท่านั้นส่วนกิจวัตรก็คือการปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อผู้เป็นพระอุปชามีสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อสอนในระหว่างที่ทำอุปชาวัดคือการปฏิบัติรับใช้พระอุปชาก็คือการต่อเทศแบบที่เรียกกันว่าต่อหนังสือค่ำอันเป็นวิธีการเรียนการสอนอย่างหนึ่งในสมัยโบราณกล่าวคือ เมื่อเข้าไปทำอุปชาวัดในตอนค่ำมีการบีบนวดเป็นต้นหลวงพ่อก็จะอ่านเทศให้ฟังคืนละตอนแล้วท่องจำตามคาอ่านของท่านทาต่อเนื่องกันไปทุกคืนจนจำได้ทั้งกันกันเทศที่หลวงพ่อต่อให้คือเรื่องอริยทรัพย์เจ็ดประการเมื่อทรงจำได้คล่องแล้วหลวงพ่อก็ให้ขึ้นเทศปากเปล่าให้ญาติโยมฟัง ในโบสถ์คืนวันพระวันหนึ่งในพรรษานั้นหลังจากเทศให้ญาติโยมฟังแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จยังทรงบันทึกเทศกันนี้ไว้ในสมุดบันทึกส่วนพระองค์ด้วยครั้นออกพรรษาแล้วก็ยังเพลินอยู่ในชีวิตรมจารย์หลวงพ่อจึงชักชวนให้ไปเรียนภาษาบาลี คือเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดสเสนหาในจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อบอกว่าเพื่อว่าต่อไปจะได้กลับมาสอนที่วัดเทวสังคารามและจะได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเตรียมไว้ให้เมื่อสามเณรและญาติโยมยินยอมหลวงพ่อจึงได้พาเจ้าประคุณสมเด็จไปฝากไว้กับพระครูสังวรวินัยในวงเล็บอาจเจ้าอาวาสวัดสเสนหา เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2470เจเจ้าพระคุณสมเด็จจึงได้เริ่มเรียนบาลีวยากร์ที่วัดเสนหาในภรษาศกนั้นโดยมีพระปริียนจากวัดมกุฏกษัตริย์กรุงเทพไปเป็นอาจารย์สอนเมื่อออกพรรษาแล้วอาจารย์สอนภาษาบาลีที่วัดเนหาเห็นแววของเจ้าพระคุณสมเด็จว่าจะเจริญก้าวหน้าในทางการศึกษาต่อไป จึงชักชวนให้เจ้าประคุณสมเด็จไปอยู่วัดมกุฏกษัตริย์กรุงเทพเพื่อจักได้เล่าเรียนให้สูงสูงยิ่งขึ้นไปและอาจารย์ท่านนั้นก็ได้ติดต่อทางวัดมงกุฎกษัตริย์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยแต่เมื่อเจ้าประคุณสมเด็จนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดเหนือหลวงพ่อไม่เห็นด้วยเพราะหลวงพ่อคิดไว้ว่าจะพาเจ้าประคุณสมเด็จไปฝากไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่แล้ว จึงเป็นอัญยกเลิกที่จะไปอยู่วัดมงกุฎกษัตริย์เจ้าพระคุณสมเด็จจึงอยู่จำพรรษาเรียนบาลีต่อไปที่วัดเสนหาอีกหนึ่งพรรษาพุทธศักราช2472หลังออกพรรษาแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จได้กลับไปพักณวัดเทวสังฆารามชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเตรียมตัวเข้าไปอยู่กรุงเทพวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2472หลวงพ่อวัดเหนือได้พาเจ้าประคุณสมเด็จโดยสารรถไฟจากกาญจนบุรีมากรุงเทพลอบพาไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและนำเจ้าประคุณสมเด็จขึ้นเฝ้าถวายตัวต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงศ ซึ่งขณะนั้นทรงดารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวะชิรยาณวงเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเพื่ออยู่ศึกษาพระบริยติธรรมในสำนักวัดบวรนิเวศวิหารต่อไปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ทรงพระเมตต่ารับไว้และทรงมอบให้อยู่ในความปกครองของพระครูพุทธมนปรีชาในวงเล็บเฉลิมโรจนสิริ หลังจากทรงเข้ามาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารได้ไม่นานทรงปฏิบัติตามกฎกติกาของวัดครบถ้วนแล้วก็ทรงได้รับประทานนามฉายาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่าสุวัฒโนซึ่งมีความหมายว่าผู้เจริญดีเจ้าพระคุณสมเด็จ ได้ส่งบันทึกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการเข้ามาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารของพระองค์ไว้อย่างน่าสนใจยิ่งบันทึกของพระองค์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระองค์ประสบความสำเร็จในช่วงต้นของชีวิตพรหมจรรย์และการศึกษาก็เพราะส่งได้พระอาจารย์และผู้ปกครองที่ดีพระอาจารย์ของพระองค์ในช่วงนี้ก็คือพระครูพุทธมนปรีชาในวงเล็บฉเฉลิมส่วนผู้ปกครองของพระองค์ ในช่วงนี้ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงศ์ดังที่ทรงกล่าวถึงท่านทั้งสองไว้ว่าพระครูพุทธมนปรีชาเป็นผู้มีกิริยาวาจาอ่อนหวานใจแข็งรู้จักกาลเทศะรู้จักการควรไม่ควรมีชาวไวไหวพริบมีคารวะต่อผู้ใหญ่ไม่ตีตัวเสมอแม้กับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยเป็นกันเอง รู้จักพูดให้ผู้ใหญ่เชื่อเมื่อถึงคราวต้องเป็นหัวหน้าจัดการงานวางตนเป็นผู้ใหญ่เต็มที่สมแก่ฐานะมีความสามารถในการจัดการงานให้สำเร็จฉลาดในการปฏิสันฐานในการทำงานจะไม่ปล่อยให้สิทธิทาในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าสิทธิจะทำได้ดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิทธิของตนแนะนาสั่งสอนสิทธิให้รู้จักวางตัวให้พอเหมาะ ยกย่องสิทธิให้เป็นที่ปรากฏในหมู่เพื่อนฝูงกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นผู้มีน้ำใจและมีสัพภุริสธรรมควรเอาเป็นแบบอย่างในทางดีได้ส่วนสมเด็จพระสังฆราชเจ้านั้นทรงมีพระเมตตาต่อภิกษุสามเณรทั่วไปโดยเฉพาะสามเณรที่มาจากบ้านนอก ดูจะมีพระเมตตาเป็นพิเศษสา ม, มนเณรทุกรูปจะต้องถูกจัดเวรอยู่ปฏิบัติถวายงานสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสับเปลี่ยนกันไปทุกวันสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงมีวิธีที่จะฝึกสอนสา ม, มนเณรให้มีความรู้ความฉลาดในเรื่องต่างๆด้วยพระเมตตาเสมอเช่นทรงฝึกให้สา ม, มนเณรอ่านหนังสือพิมพ์หากสามเณรรูปใดอ่านไม่คล่องหรือไม่ถูก ก็จะท่งอ่านให้ฟังเสียเองท่งฝึกให้สมมามเณรหัดคิดหัดสังเกตและหัดทำสิ่งต่างๆที่จะเป็นการฝึกความเฉลียวฉลาดหากสมมามเณรทำผิดหรือทำไม่ถูกพระองค์ก็จะทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างเจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงถูกฝึกในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่บ่อยๆเช่นส่งเล่า ว, ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ารับสั่งให้เอากระดาษ ท, ทาลองข้างในขวด แต่เจ้าพระคุณสมเด็จไม่เข้าพระทยัยเอากระดาษไปรองก้นขวดพอทอดพระเนตรเห็นเข้าก็รับสั่งว่าเนร์นี่ก็โง่เหมือนกันแล้วก็ทรงทําให้ดูจากการแนะนําสั่งสอนและการปฏิบัติพระองค์และปฏิบัติตนให้เห็นเป็นตัวอย่างของพระอาจารย์ทั้งสองท่านดังกล่าวแล้วทําให้เจ้าพระคุณสมเด็จรู้จักคิดรู้จักสังเกตและจดจํา เอามาเป็นเยี่ยงอย่างในการพัฒนาพระองค์เอง